เขา่าเบิดพระพุทธมโหมีสุมคนกินลูกน้องมาน้องบ่ซา ล, ล่าหลังนี่ยี่หารเราเหนืออาจารย์หมูเคนโยกถวอยให้เป็นวัดตัวเป็นวัดเป็น ที่พักสงแล้วสําำนักสงเรื่อไหว้องหลวงตาขึ้นมาก็เลยเป็นวัดตอได้เขตนนี้ยแล้วเป็นวัดลดผ่ากีวอนไ้แล้วมันออกนอกไปจคุ้มค <c oughs> ือกันก้าสุ่เหมือนไปนสื่อบ้านตั้งประเทศเฮ็ดวันเน้ววัดนิวยหยอกวัดนิวยหยอกวันไปวัดหลวงพ่อทุน ไ่ได้กว้างมันได้ได้ละวัดเที่อาเขียนั่นนี่ก็เที่อาเขตนนี่นีน่แหละเป็นเขตยของพระอมหลดลายอะไรคือกันกรับันลงปูญยาลิยนยศสวนทิมทคือานั่น <c oughs> ลอหโมลนลอยดไรสีวัดอ๋อ ห, หนึ่งวัดบ่องวัดสวัดย่างศรีสุราชอซื้อวัดก็ตั้งซื้อบองผู้ออมสันติวรยาน ยุมอวงมัได้ยืมอวงถึงก่อนถึงหน่าซี น, นุ่นเลี้ยบขวาเล่ยเล่ยเล่ยเสียหน้าดุนไปเล่ยแกหน้าดุนไปแข <c oughs> วงอยู่เหรอบที่บบ สองไล่แดบอเมริกาแล้วเหม น, นันนเป็นป้าเดิมของคุณปู่ไหมในรบย่อไหม บ้านดงบากของอาจารย์สิทธใครอยู่แล้วด้กี่ซื้อฮันเกตไร่ผมเกตไล่แปดหมื่นมันตซื้อเท่าไ่สื่บาทขย อ, องห่เพราะซื้อแรกๆเไ่นสี่ซื้อแรกๆมันถือจะไลมัน8ึแปดหมือนราลเท่าันออเบอรนตอนตอนนั้นถาม ถามเรื่องที่เขนปฏิขายหน้านะบอเลยไม่ได้โอกาสเลยบอกอย่อมบริสุทธิ์มันเป็นการอากาศพอดีพันป่วยพอดพีปินป่วยเป็นมาเล่นต้อมต้อมนั่งเลือง <S <S พอ่อลูกว่าจะของเป็นมาเล่นต้อนนำเหลืองนี่จิตใจพอสบายเรียกว่าย่อมรับไปได้พูดง่ายๆตามภาษาเขาว่ายอมรับไปได้เกิทุก ใจน่อยใจวุ่นวายเนว่ามาเล่นเห่นว่ามาเล่นเป็นโลกรายเห็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรเด้อวะแล้วเป็นเนี่ยมาสร้างอันนี้สงฆ์สร้างกองกระทิน่อดกระทินแล้วซื้อที่นานี่สร้างวัดแล้วก็ให้เป็นเจ้าภาพบวชพระสามองค์ อูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ผ้าท่อกรถินปีแรกปี น, นั้นนะก็เป็นเหตุให้เป็นนี่กำลังใจขินมาด้วยล่ะนี่กำลังใจเห็นมาสอนเทศธรรมะให้ฟังแน่เป็นของธรรมดามันเป็นสิ่งที่นี่ประจำสังขาร ตรวจแชเจ็บตายเฮ้ยอันนี้สง่างันอ้าวพอดีมาดีเมาเดือนหน่ไอ้ไอ้มาเล่นต้มน้ำเหลืองอะเพราะว่ามีดได้เขาตรวจขายเก้าสิบห้าเก้าสิบของสุมมูตายไปจนเบิอแหลกเอ้มบริสุทธิ์มันยั่งยั่งอยู่ เกาสิบห้าระพิกายนะี <c oughs> น่ยอายุเก้สิบห้ามันได้ซื้อไว้ต่กอนมันถือถือไขอยูอ่เมื่อนั้นกำมาเา้าอาจารย์ทรงกับแมาแย่เยี่ยมอนยุเขาไปหันมันเป็นป้าดีมันตอกัป้าสาตอกป้าสาวัานดงบ่า ทีภาษามันนี่อันนี้ส้มอยหันอยเลีองเมื่อนถามวันมันยั่งอยู่นีบันนอยั่งอยู่วนวันนี้ภโอ้ยวันนี้มาง่ายเด้บพุ่มกรรมอุปทานเนี่ยอุปทานมันเป็นกรรมอุปทานป้อมหยุดป้อมติดป้อมคองอยู่ เดี๋ยวอุปทานกรรมบางมูบางพวกอย่างอยู่วัดภูงงามเพื่อเซวาณ์ไอก่อนสมัยหลวงปู่ขาวหลวงปู่คําบุกเพิ่นไปพักนาแลงก่อนกรอนที่หลวงปู่มันจำมรณภาพปี่สองซีเก่าหนึ่งทันั้นซีดเก่าสิบเอ็ด หลวงปู่ขาวไปพักภาวนาไปปู่วังงามนี่หลวงปู่ขัมบุหลวงปูแง่แห่งแห่งผู้ลังกาที่ถือยาเบียเขาใส้ขนมให้บันสันทิมนมราพผู้ลังกา <c oughs> ก่อหลวงปู่มีสิปรยูวัดผู้ลังกาหลวงปู่ขัมบุกพิน เราให้ฟังไอภาวนาโยคูวังงามกับหลวงปู่ขาวเนี่ยโอ้มันกลังขึ้นนี่สิจําวัดว่าได้ไม่ไดมุ่งกดเนี่ยไอายพาสวมดมนต์นางพาวนาหรอเขาสิจําวัดสิพักพรสินอนจํำวัดพักผรอนอรอว่าได้แล้ววดเสียงเสียงมาเพราะเป็นเสียงมาเสียงคือจังแลีนมาเป็นเสียงมา มาเอาเขามกดเข้าไปคนในลูกขึ้นภาวน่าในพักกลางวันเรากลางวันยังค่อยพักคอนจหวัดไลยกลางวันอายุหันสองเดือนกลางคืนพักว่าอะไรจำวัดว่าอะไรบนผู้ขาวเพิ่งตึกเกตขางเดิน ย, งยังกงมไปสามเซนเสซนหนึ่งเดินบูชา พระพุทธเซนที่สองเดินบูชาพระถรมเซนที่สามเดินบูชาพระสงฆ์หินหินพระนามาเหตว่านั่งอะเป็นหินสามก้อนก้อนหนึ่งก็นั่งพระวะนาบูชาพระพุทธก้อนหนึ่งก็นั่งบูชาพระธรรมก้อนหนึ่งก็นั่งบูชาพระสงฆ์จันมา่าภาพดูหันจน ที่หลวงปู่ขาวมรณาข่าพอนยังลง่องอย่าพวงงามขึ้นไปทำเป็ดทั้งเขาไปห้องฟื้นน้าไผู้มันป่วยหลายเขา <c oughs> ไปกาบเพ่นไปคารวะตอนหลวงปู่ขาวพอนยังมีชีวิตยอยู่ไปเพิ่นถามเลยผู้ว่างงามยังมีผีอยู่บ่ ไปถามกาบเลี่ยนถามวันขึ้นอยู่ผีมันมีผียบะตะลงปูประยูมียบกันนามีอยู่เส้นบนวปพ่มเป็นพู่มเป็น <c oughs> ปนี่ยหนมันมันยายหนีปีสองพันหารอยหารอยสิบห้าปีลงปูคำ่ำลงปูคำ่ำสมมติคารโลบันเรธที เป็นมนจำมันศาวงงาสองพันห้ารอยสิบห้าปีหลวงปู่บุญจัน์ไว้จำที่ศีริละศรกรวลงตาหลวงปู่ข่ำพันวันมันใหย่ยนี้แล้วเถาาเถาราี่เถาลาขีาาาา่ให้เถาราชีไให้มันใหญ่นี้แล้ว พวกม้นเนี่ยมันว่าด็ดไปใส่มัง่ายเลยบางมองมันกันอนม้วนทานาบุญกุศลบางมองมันกันกห่วงยืดซื้อติดยืหันยังไปใส่บ่ได้แหละเป็นว่าอุปท า, านกรรมก้มหยุดก้มติดนี่แหละเป็ น, เ ป, นเป็นกรรม อยู่ไปพาวนหน้าไปนั่นแหละอยู่สองไล่กันของพาวนหน้าแท้ๆยุใจไปแล้วอันประยุกับขี่ดินก่วงที่ยืนแแค่ว่าได้อยู่กับป่าแขค่ป้าก่วงของพาวันหน้าแท้ๆมันเกิอดอยุจใจนี่ป้าใจป้ากิเลสป่าอาสวะ ควา ม, ลมหลอกความมืดของอาสวะของความหลงหลงตามสัญญาหลงตามสังขารนั่นแหละมันหลงตามยังดอกหลงตามข้อมูลค้อมแตวง ข, อของง้อมนึกค้อมคิดหลงตามจิตจิตตังคือความนึกคิดนึกคิด น, น, นึกคิดเรื่องนั่นนึกคิดเรื่องนี้นึกคิดอย่างนั่นแย่งนี่ คิดแล้วก็หลงไปตามข้อมนึกคิดหลงตามสังขารสังขารเกี่ย้อมปรุงแต่งแห่งจิตอาการที่คิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งการคิดนึกคิดขึ้นมาเป็นคณะอันเดียวคิดตังคิดขึ้นมาเราก็ปรุงแต่งตามข้อมคิดข้อมนึกอ่ะเพิ่มกีว่าสังขารแล้วก็จําไมายจําได้ไม้รูปสำคัญมั่นไม้ เห็นสัญญาสัญญาข้อมจำได้หมายรู้จําไปหมายย่างงั่นย่างนี่ไปหลงนี่เรียกว่าหลงตามจิตตามสังขารตามสัญญากเกลเลยไอ้ความหลงนี่แหละเกลื่ยเป็นกิเลสจงังหว่าเป็นความมืดเป็นอาสวะเป็นเครื่องทําให้เราร้อนข้อมีความหลงนี่แหละคันบ่หลงแล้วกเ ข, ขาบ่เล่าร้อนอย่างแบบ คิดไปแห้ะเล่เราร้อนวุ่นวายเพรอมหลงตามค้อมคิดค้อมจํานี่ยังว่าอันมุ่นนี่แหละมันเป็นปลาเป็นปลากิเลสเป็นปลาค้อมหลงภาวนาเนี่ยภาวนาถางปลาถางปลากิเลสถ า, า, างปาลาค้อมหลงไอ้มันเตือนไอ้มัน หายจากข้อ ม, มืดจากข้อมหลงตเพราะว่าน่าให้มันรู้ข้อมจริงให้มันรู้รู้แกงรู้กแกง้งรู้ว่างรู้ ล, ละรู้ว่างรู้ขึ้นมาที่ใจนี่แหละว่า ม, มีใจมีใจเป็นฐานมีใจเป็นสนามมี่ใจเป็นที่ตัง้ง เนี่ยสิ่งสิ่งเรานี่มันเกิดอยู่ใจมันก็เลยมากวนกับใจมันเป็นเหตุก่อควันใจเนี่ยค่กระทบกระเทือนใจคือความรูรูเนี่ยเมื่อมารูตามสิ่งเราเนี่ยมันเกิดกระเทือนเหมือนกันกับไอ้ห้านอห่านหมอล่มห่านระบบัล่มวงเขาเนี่ยห้านมันมันบริเวนผู้ล่มผู้เต้น ไอ้ผู้เต้นมันเป็นตัวละครตัวคนเต้นล่ำไปันเต้นล่ําไปกับผู้กระเทือนกับมันห้านนั่นแหละกระเทือนอรับความกระทบกระเทือนจากพวกเต้นพวกล่ํานีไปอันนี้คือกันกิเลสมันบริเป็นใจเครื่องเล่าร้อนทั้งหลายมันบริเป็นใจมันแต่ว่ามันเกิดด้วยใจ กระจาูภูเป็นฐานรองรับมั่นก็ดแต่รับความกระเทือนจากสิ่งเราเนี่ยที่นี่ครับเท้าว่าเขาใจมั่นก็จักษิวายัางไหละเมื่อร่วมไว้ใจเนี่ยเป็นกิเลสใจเป็นทุกข์หรือว่าความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ เกิดพบเกิดชาติเกิดอุปทานพ่อมยึดพ่อมถือไปผูกพันกันไปก็เลยเป็นทุกอยู่พอจบพอสิน้นแต่ไมแออ่แยกออก แ, แยกออกไม่เข้าใจหลือแยกออกจากกันดอกก็เลยว่ีอม่ยังดอกว่าไม่ยังเป็นกิเลสอัีว่าเป็นกิเลสก็เป็นบอนว่าความหลงข้อมวู้ตามเป็นจริงนี่แหละนันเป็นกิเลส มันรู้ตามความเป็นจริงแล้วกิเลสมันก็หายไปที่ว่าเหตุที่สีให้เร่าร้อนให้วุ่นวายนะมันก็สิ้นสุดลงเหมือนกันกับกระแสไฟวิ่งไปตามอเส้นลวดสายลวดมันก็เลยเป็นโทษได้เหมือนคนไปไปจับเส้นลวดสายลวดที่มีไฟนะถ้าไม่ถึงตายได้ ที่นี่เห็นปิดกดสวิตตัดบอลที่มันจะเป็นกระแสแรนไปซ้ามันก็มันกระโบมีอแหะไปจับก็ว่าเป็นยังอันนี้คือกันพูดถึงเรื่องกิเลสเรื่องอาสวะเรื่องสิ่งที่ทำให้เล่าร้อนเป็นทุกข์วุ่นวายนั่นนจคิดใจความโกรโกรธหลงราคะตันหาโทษสะโมหะ คันว่าเข้าใจความจริงของแต่ละย่างละย่างแหละก็เลยว่มีอย่างเป็นว่ามีอยังเป็นถูกว่มีอยังเป็นเหตุให้เกิดถูกก็เลยสรุป ว, ว่านเหตุให้เกิดเป็นทุกเพราะความหลงหันซะทาข้อมหลงให้รู้ให้เข้าใจความจริหลือก็ล เ, กอเลยหมดเหตุกัน S <S เนี่ยจงว่ามันมันอยู่นี่อยู่ใจนี่วะบอลข้อมทุกข้อมสุข ส, มมมมสมมิมาร่วมอยู่นี่ขวอมหลงค้อมรู้สิมาร่วมมาร่วมอยู่ใจเนี่ยอาจจะมาภาวนานี่ยละบัดมาภาวนาเพ่งใจรู้ใจกำหนดใจผู้ทโทษผู้ทโทษกับผูทโทษคมใจลงไปนี่ละกำหนดผู้ทโทษต่อกันมากๆเขาเพื่ อ, อย้ำเพื่อสิให้ ใจนี่มีความแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวเลยต่างฐานสมาธิความมันคงของจิตหรือว่าให้สมาธิเกิดที่จิตแต่ว่าสมาธิเพราะมันจิตเพรามันใจเนี่ยมันก็เป็นคนาะอาการกันอีกละหันว่าแยกแต่ว่าให้อาการอันนี้เป็นกำลัง หนุนใจเพื่อให้เกิดความแน่วแน่เึงว่าสร้างสมาธิเพราะทางเจงเดชต้องได้นั่งภาวนาได้เดินภาวนานอนภาวนายืนเดินนั่งนอนอี่จะบททั้งสีนี่อยู่ด้วยการภาวนาคือการกําหนดคิตกำหนดใจการสร้างสติให้ต่อเนื่องกันนี่แหละอย่างเวลาดึกเอาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาเม็นรู้อยู่ พูดโทพูดโทพุดโทนี่หรือสิกำนดตายมันรู้อยู่ตายตายตายตายตายเอาตายอันเดียวเนี่ยมันเป็นคำรู้คำระลึกอย่นี่แต่มันมีกำลังเขาไปหลือมันก็จะมีความละเอียดเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นเคยปุงเคยฟุ่งเคยเล่าร้อน ร่อนเพราะโลภร่อนเพราะโกรธร่อนเพราะข่อมหลงมือมันเบาบางลงไปสติมีกำลังขืนสมาธิมีกำลังขืนอาการเล่านั้นกันหนอยลงไปเรื่อยหนอยลงไปเรื่อยจนสุดท้ายเมื่อสติสมาธิปัญญาเนะี่ยมีกำลังเต็มที่แล้วเข้าใจใน ความจริงเข้าใจในสมมุติในบัญญัติเข้าใจในสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงเลยมันก็บ่มีอย่างร่อนนะบัดมันมีอย่างร่อนแสดงว่าเรียเตะใจว่างเรียเตะค้อมรูที่ว่างว่างจากข้อมร่อนว่างจากความหลงนี่ที่แรกมันยาก ที่ภาวนาที่ตั้งสติกับโนรูปุทโธพุทโธไปแนวอื่นดึงสายอันหนึงไปอันนึงดึงสายอันนึงกัไปอันนึงเพราะสักเพราส่างต้องคุมกันยังนี่หละพยายามฝึกพยายามอบรมนั้นกต้องฝึกทำงานย่างอืนน่แหละมันเพเป็นฝึกไปฝึกมากมันเป็นชำนีสำนาญเขาอันนี้คือกานภาวนาฝึกให้จิดมี สมาธิถ้ำมี่ปัญญาถ่ำนี่สัจจะท้ำนี่ขันติถ้ำร่วมข่าเป็นที่พึ่งของใจของธาตุรูของผู้รู้นี่จะ ต, ต้องอาศัยความเพียรให้แน่วแน่ย่่งนัน้นเมื่อมันมาเป็นอยู่ที่ใจละสติ ต่อเนื่องกันได้ใจตั้งมันแน่วแน่ทำงานนั่นได้ดูนันได้รู้อันได้รู้ยู่ในสิ่งนั้นได้ปัญญาแยกแยะเข้าใจรู้ละรู้ว่างได้ละว่างยุทีใจค่อยทุกข์คยอยากกลายเป็นความเบาความสบายเนี่ยว ความถูกสิ้นไปความบุญไหว้ความเล่าร้อนความโลภเคยมีหายไปโกรธเคยมีขึ้หายไปหลงเคยมีขึ้นหายไปะความยึดความติดสิ่งนั่นสิ่งนี้เคมยมีมันก็ว่างไปอืตอนที่ทายมันก็ว่ามีว่ามีอยังแต่แนใจว่ามีโลภว่ามีโกรธว่ามีหลงว่ามียึดว่มีถืออืม เป็นความรู้ว่างว่าง <c oughs> นี่ด้วยอำนาจของมักของการปฏิบัตินี่แหละการจะเดินภาวนาเพ่งคิดเพ่งใจนี่แหละอต่างรา่วเขอม น, นีนี่เมื่อสร้างธรรมะมูนีเราเนี่ให้ีกกำลังแหละเป็นที่พึง่ง เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องลูกเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องลู่อลล ข, ออลของใจได้ลรืมันก็เบิดปัญหาไปเบิดทุกข์ไปเอาอยู่นี่ได้มองมองเอาแท้ๆามาใจนี่แหละอาฝึกใจนี่แหละเอาละ มี่คาวะสิครับคาวะก็คาวะธรมรมชาติของจิตใจเท่านั้นว่ามันเป็นลร่องมันไข่กับเรื่องจิตตังแปลว่าผู้นึกคิด มันเป็นปกติแห่งความนึกคิดความนึกคิดเนี่ยมันกับวเทถียงมันอยู่ไตมันอยู่ในกดของแตหลักกระับมันจึงเกิดเกิดดับดับมันจึงคิดทิ่งนั่นคิดที่นี่ไปเรื่อยแต่พ่อเทาสเสียมันคิดอย่างเดียวอยู่อย่างเดียวมันก็บ่เอาอีกมันกับว่อยู่อีก มันเป็นนันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นนิสัยแร่ปวนไปเรื่อยเรื่อยรื่อยอันจะให้นึกพุโทโธพุทธโธหายใจเข้าก็บรู้พุทธหายใจออกรู้ท้อยู่อันเดียวเนี่ยโอ้มันเป็นทุกข์อีกแหละมันเป็นทุกข์มันอึดอัดเหมือนก็ว่ามันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งปุงยิ่งดิน้น เหมือนกันกับอ่ะเท้าเห็นว่าเด็กมันชนมันดื้อเด็กน้อยมันดื้อมันชนแต่จับมันเท่าจับเสร็จมันยิงดินันดะถ้าเว่าจับว่าดีมันเกิดลุดมือไปอันนี้ก็คือกันเหมือนกันธรรมชาติคองคิดตังเนี่ยมันนึกคิดที่นี่นึกคิดสิ่งใหที่นึกคิดแล้ว มันเลาร้อนมันไม่สบายมันก็ยิ่งชอบนึกคิดแต่ในสิ่งนั้นนเรียบมันเหมือนกันกับว่ามันมีของสกปรกติดมือเข้ามีของเน่าของเหม็นติดมือเข้าเนี่ยนะกะรู้ว่ามันเน่ามันเหม็นอยู่ะอะก็ชอบดมอยู่เรื่อยเลยคันดมก็โอ้ยเหม็นคันเหม็นเด็ก นั่นพวกกันจะด้อมอยู่เรื่อยนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันชอบนึกคิดแต่ว่าถ้าอันใดมันนึกคิดแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ยิ่งไปชอบนึกคิดสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ให้นึกคิดแล้วสบายเนี่ยมันไม่ชอบมันบ่ชอบมันเพเป็นธรรมชาติมันเพราะเพราะฉะนั้นจึงต้อง ปฏิบัตินี่จึงต้องบังคับกันอะไรจึงว่าจึงต้องบังคับให้นึกพุทโธพุทโธหรือให้นึกให้รู้หายใจเข่าหายใจออกเอาอย่างเดียวเป็นงานบังคับด้วยสติค้อมและลึกรู้ครูบาอาจารย์พูดยังว่าเอาสติคมจิตคือถ้าสติ ะระลึกรู้ปัจจุบันมันต่อเนื่องกันนี่กำลังเหนือความนึกคิดตามสัญญาร่มได้มันก็อยู่ได้หยุดได้ยุดได้กลมกืนกันแนวแนวแนวเขาได้แต่กนหลวงปู่ฝันพันพนเทศพันเทศธรรมะ ต้องผู้ันเพอาพุทโธพุทโธพุทโธสบายสบายใจสบายเอาพุทโธรู้อยู่กับพุทโธที่นี่ขันใจของเขามันติดปับ๊บมันแนวก็พุทโธพุทโธมันก็บสบายคือเพืน่นว่าคือเพื่อนบอก เย็นสบายเขาพุโท้พุธโ ท, โทเขาไปละยัดดูดดื่มเขาดูดดื่มเข า, เเขาคนสุดท้ายเกิดความสบายกว่างขวางปอดโป่งโลเหมือนกับว่ามันว่างว่างความสำคัญมั่นหมายมันก็เลยทําใหายใจเนี่ยโล่งว่าง คือว่างจากความยึดนั่นแหเป็นความสบายกว้างขวางเหมือนกับว่าสบายครอบโลกกระถาดไปทั้งหมดพอมันอยู่ในอารมณ์กอมันจับอารมณ์อันเดียวได้แล้วมันเปลี่ยนที่แรกมันวุ่นวายมันวุ่นวายเพราะว่ามันมันถูก อารมณ์ทั้งหลายดันออกไปที่จะให้คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้คิดรู้ร่มเขาล่มบอกว่าเอาให้คิดรู้พุทธโทษพุทโทษหายใจเขาพุทธหายใจเอาโทบ่เอาหรือจะให้คิดรู้เกิดเกิดดับเกิดดับรู้เกิดรู้ตายเกิดตายเกิดตายก็บ่เอาเซิญไป เหมือ น, นกันกขาเครื่องบินเซินบินลอยไปเรื่อยว่าดิ้งล่องสนามว่าดิ้งล่องสนามบ่หยุดนี่คือกันลอยไปตามสัญญาร่มอันที่ว่าให้บ่ให้ดูว่าให้กำหนดละ่ะอันให้กำหนดให้ดูบ่าอยู่นี่เพราะฉะนันต้องบังคับกัน โดยข้อมตั้งอกตั้งใจโดยข้อมจดจอ่อข้อมจงใจออแต่กันลงไปบังคับกันจ่อกันลงไปมันสิทุกสิห่อนมันสิบุ่นสิไหวอันใดตอนเด้กันไม่ได้สนใจละ่ะให้มันรู้อยู่กับงานที่หอ่รร้แหมเมื่อมันแนวแนวแนวแนวอยู่ได้บวาขาดวักขาดตอนมันบว ตายแสบไปอันนู้นอันนี่ก็เรียกว่ามันติดแล้วว ะ, ะคิดมันได้สมาธิได้ข้อมันคล่องแล้วถ้าได้มากเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปะจนแนวได้รูได้ด้วยตนเองรูได้ด้วยความรู้รูได้ด้วยใจของเขารูว่าคิดนี่ยบ่ฟุ้งซ่านซรายแสบอือยู่ทำงานไอ้ทำงานอันนี้ก็ทํา มุ่งมั่นอยู่กับงานที่ให้ทำที่นี่ความบุญไว้ความเราร่อนทั้งหลายมันก็หายไปก็แนวแนวฟึกซ่อมมั น, นี่แหละเพะประมาทแบบเอา้ามันเป็นได้ยังนี้แหละขับนถเข้าไปเรื่อยๆแหละพประมาทต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจากชั่ว สิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเอาไปเอามาจนเป็นปัจจุบั น, นรวมข้อเป็นปัจจุบันจิตในขณะจิตจะเป็นความรู้ความระลึกรู้แนวนี่เรียก ว, ว่านี่สมาธิท้าเป็นเป็นทีพักพิง อาศัยของใจนี่ใจบวุ่น่ายใจโบฝุ่งสั่นล่ำคลันแต mm ่ hmm. ว่าประมาท้งกำหนดไปนีสติรู้ปัจจุบันอยู่ไปเรื่อยๆ mm hmm. ย่างเงินล่ะบมเมนว่าเป็นย่างเงินเลยหยุดทอดทุระบมเมนถามันเป็นมันม่กำลังเหรอมันก็ยิ่งง่ายบะมันก็ยิ่งเป็นอยู่ในตัวเป็น เป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันรู้ปัจจุบั น, ลจจบนละลึกปัจจุบันสติยุหั น, หนละรู้อยู่ที่จิตนั่นละ่ะที่ผู้รู้นั่นละ่ะมันจะแน่วแน่บอประมาทถ้าประมาทเลยปล่อยจิตปล่อยใจบาดเพเล้อเพื่อีกื่อได้ รู้ก็ได้กำหนดหรู้ที่จิตที่ใจมันก็จะเผอไปเผยไปเอาไปเอาไปม า, า, ปมากกลายเป็นจิตใจฝุ่งซ่านอีกเป็นจิตฝุ่งซ่านลาคัญนตามสัญญาลรมไปอีกเพราฉนเมื่อทําให้เป็นทําให้ได้ให้ต่อเนื่องกันแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นอัตโนมัติจ มันจะเป็นเองมันจะเป็นความรู้ตัวความระลึกรูก้อันนี้เรียกว่าคุ้มคล้องคุ้มคล้องจิตใจสมาธิถ้ำนี่คุ้มคล้องจิตใจอยู่ได้ทุกอิริยาบถโมเมนเต่เวลาเรามานังกําหนดบริกรรมพุทโธพุทโธ แต่ทำาจิตการงานอนไรก็มีสมาธิท่ามอนี้เป็นเครื่องคุ้มค้องทำางานด้วยความมีสมาธินี่ความตั้งมันมันก็ไม่คุณนไหยจิตใจจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นก็รู้เรื่องของปัญหานั่นๆสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่บ่ แน่นอนพอปัญหาต่างๆมันบเทียงมันเกิดขึ้นได้ทุกอริยบทมันมียุทุกขณะแต่เมื่อจิตมีสมาธิท้ำเป็นกำลังหน้นแล้วมันบวกแวกมันเกิดเป็นจิตที่มีเหตุมีผล น, นี่เรียก ว, ว่าอาศัย ธรรมะคือสมาธิธรรมสติธรรมสมาธิธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องยูเทม่มันยังมันยังไม่อี๊ยละเอียดเข้าไปเรื่องข้อมรู้ข้อมเห็ น, นยังไม่อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาแปลว่าโยนิโสมนสิกาน ยึดไข่้วนี่มั่งสาตึกต้องไข่ค้วนเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นตึกต้องไข่ค้วนเหตุผลแต่คนอย่งว่าให้ยกขืนสูวิปัสนาเมื่อฝึกจิตนี่สมาธิถ้ำเป็นเครื่องรู้เครื่องยูละเพิงยกจิต ยกความนึกความคิดหรือความรู้นี่นรู้ขึ้นไปสู้การวิจัยวิจารณิตพิจารณาในส่วนหยาบส่วนละเอียดในส่วนหยาบพิจารณาในรูปในรูปกายของเขาออร่างกายประกอบด้วยธาตุดินนม้มไฟลม่มพิจารณาแยกแยกออกดิน อันไหเป็นดินอันไหเป็นนม้มผมคน้นแล้วฟันหนังอาการสามสบสองเนี่ยี่สบนั่นเป็นธาตุดินส่วนที่เป็นของคนแข็งเป็นธาตุดินส่วนที่เหลวเป็นธาตุน้ำเห็นไหมว่าธาตุน้ำสบสองธาตุดินยี่สิบ น้ำมไมี่ยังแน่แตบนีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำไรเป็นตน้นเรานี่ยติดต่างน้ำดีเสมหังน้ำเสเน้ำผุโพน้ำเหลืองมอนยังที่สวดกายยขาตาสติมดแพงอันนี้แหละไข้ควนกับไปกับมาเมันละเอียดละเอียดขามันก็รูมมดในส่วน หยาบส่วนเหลววานดินน้ำล่มไฟล่มพัดไปตามตัวล่มหายใจเข่าหายใจออกล่มในท้องในใสพัดท้ำไ้เอาาห้เหลอร์ไอยากนอนพินมามันก็เป็นธาตุล่มความอบอุ่นในกายไฟ เขาอาหารให้ย่อยเป็นถาดไฟเขาเ ม, มื่อกำนวดลูกอันนี้เป็นถาดดินน้ำไฟล่มเรวก็สัญญาสังขารได้บัดส่วนที่เป็นน้า ม, มาท้ำเป็นสิ่งละเอียดสัญญาสังขารเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไง ความเสวยเป็นซุบบางเป็นทุกข์บางสุปกายสุปใจทุกข์กายทุกข์ใจมาพิจานาไข้ข้อนอาการเราเนี่ยมันเข้าใจเขาใจด้วยตนเองมันมันจะเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาจากการพิจารณาของเฮ้าเองเด้มันเกิดมันเห็น มันรู้จังว่ารู้แจ้้รู้แก้งเห็นจริงมันทั้งรู้ทั้งเห็นมันจะหายสงสัยปึ๊บรงไปเลยนี่เป็นอาการของเวทนาไม่เป็นตัวเป็นต น, ตนตไม่ใช่สัตว์บุคคลเล่าเขาเป็นเพียงสมมุทรเวทนาเท่านั้นสัญญาความจำได้ไม้รูปเหมือนกันสังขารความนึกคิดปรุงแตง่งย่นย่าน ความรับรู้รับทราบเมื่ออายตนะสัมผัสตาสัมผัสลูกหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกินเลียนสัมผัสลดกายสัมผัสความเย็นความร้อนอย่างสิ่งนี้ใจน่เป็นผู้รู้ที่ถ้ารู้ความจินว่ามันเป็นเที่ยงทัสะแล้วพวเด เกิดความยินดียินไลมันก็บ่เป็นกิเลสแบบรู้ความจริงแล้ยมันก็ว่างว่างความจริงตามความเป็นจริงแต่มันเบูมันก็เกิดความเห็นผิดคิดว่า ส, สมมติผิดขึ้นมาเกิดเป็นความยินดีพอใจนันความเย็นเกลียดความร้อนยินดีพอใจใ น, นความ น, นใในมนิ่ม น, นุ่น เกยรติข้มแข็งกระด้างอันนั้นน่ยมันเป็นมันเป็นกิเลสญวนหันยังว่ า, า, ายังว่ากิเลสญวนหลงหลงยึดหลงเกียดหลงช่างหลงพ่อใจไม่พ่อใจมองเป็นกิเลสมันเป็นอยูญวนนี่มันจึงเป็นเหตุให้ต่อเนื่องวุ่นวายไปนี่ถ้ารู้ข้อมจริงพัทธะมันก็เป็นเพียง พัฒะาทำไมไปหลงสมุติไม่มั่นสำคัญมั่นหมายอย่างอันอย่างนี่มันก็จบลงจบกันลงเท่านั้นเห็นว่าเข้าใจในเรื่องคำว่าวิญญาณความรับรู้รับทราบทั้งตาหูจมูกลีนกายใจเว่าวิญญานในค้นหา <c oughs> เข่าใจความจริงม่อนเพหลงลูกเ่าลงน้ํา็คือเพหลงลูกเ่าลงเวทนาเ่าลงสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าเข่าใจในธรรมมาตามเป็นจริงแต่ธรรมมเนี่ยก็เพราะได้เป็นเล่าเป็นเขาเอย่างเป็นสภาพว่าธรรมเร่องว่าข้อมลูกข้อมเห็นประชุมร่วมลงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนสัพเพธรร ม, มานัตาติ มันก็เลยบ่มีอุปทานความขอบไปยึดบ่มีความสําคัญผิดเห็นผิดเป็นความเห็นถูกรู้ถูกเนี่ยมันจึงปล่อยจึงว่างมันจึงว่างอยากความเป็นผิดเป็นผิดนี่ใช่ปัญญาพิจารณาพิจารณาในขันหาเนี่ยล่ะพิจารณามันยึดอันใดมันติดอันใดก็ยกเลื่ยงนั้นแหละว่าพิจารณา เมื่อ <c oughs> สมาธิมีกำลังดีแล้วบมเมนสิ้นสุดอยู่แค่จิตใจตั้งมันสงบเป็นสุขรู้ก็กำหนดรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่กับพว่มรู้เฉยๆเนี่ยมันยังมหัศจรรย์มากล่วงมงั่งร่งของอวิชชาเด้ มันยังมาท่านท่านเลยทำไร้เชื่อแห้งทุกเพราะท่านทำไร้เชื่อแห้งทุกโดยปัญญาเพราะท่านจึงต้องคนคิดจึงต้องวิโตกวิจารไข้ขวัญบัตรอีกทีเพันว่าต้องคิดอาศัยความคิดใช้คิดด้วยความมีสติสมาธิเป็นตัวหนุนความคิดนั่นก็จะเกิดความแจ้งสว่าง ให้สงสัยได้จริงๆแบบเป็นเรื่องของปัญญาขันลู่ยืดซื้อรูปุกผู้ลู่นี่แหละลู่ยืดซื้อเนี่ยอันนั้นเดียววะยั่งบุหันเด๋ทำร่ายเชื่อแมันยั่งหลงอยู่ในจิตยั่งหลงจิตเป็นเล่าหลงเล่าเป็นจิตหลงผู้ลู่เป็นเล่าหลงเล่าในผู้ลู่อยู่ เพราะต้องขยี้ผู้ลูกต้องพิจารณาผู้ลูกแต่ว่าพี่หน้าจิตนั่นแหละพี่หน้าจิตพิ่หน้าใจเรียงว่าพิ่หน้ากายพิ่หน้าใจพี่หน้ารูปพิจารณาน้านพี่หน้ารูปร่างกายแต่พี่นาเวทน้าสัญญาสังขารวิญญาณนี่คันหาอาการเนียมันเป็นสิ่งที่อยู่ ในอํานาจแหง่งไต่หลักเพื่ออันนี้จังทุกครั้งนัตตาที่เมื่อรู้สิ่งเหล่านี้แล้วว่างว่างว่าไม่อย่งเป็นตัวตนเป็นยังวาสุไทยว่าไม่อย่งเป็นตัวเป็นตนว่าไม่อย่งเป็นเล่าเป็นเขาความว่างความรู้ด้วยความว่างสิ่งเหล่านี้นั่นจึงเป็นความรู้ที่ว่าง จึงเป็นข้อมูลที่ว่างอ่านจริงเดียวจึงเรียว่ารูที่พอมีพอมีเชื่อพอทำารเชื่อด้วยปัญญาเลยเมือนกันกับเผาเชื่อขยะด้วยไฟมีเผาด้วยปัญญาอันแจมแจ้งรู้จริงเข็ญจริงตามเป็นจริงแหะนั่นมันจึงเหลือแต่ ธรรมชาติรูแท้แท้เป็นธาตุรูแท้แท้นี่วิธีวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าไปให้ถึงที่สุดแห่งถูกถ้ำที่สุดแห่งถูกให้เบื้องต้นทําให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุผลทําความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริง เรองว่าเห็นข้อปฏิบัติที่ศีลสมาธิปัญญาน่แหละเป็นหนทางนาเนินที่จะเข้าไปสู่ข้อมสิ้นสุดทุทก์ถ้าทั้งคิดใจได้เงี่ยเดียวทำข้อมเห็นตรงเห็นชอบเมื่อเห็นตรงเห็นชอบแล้วก็ดำริให้ชอบคือปฏิบัติตามนั่นเรองว่ามาภาวนา สร้างสติสร้างสมาธิให้เข้มแข็งเขาทำสร้างปัญญาให้เกิดปัญญาเข้มแข็งเสียบแรมเขาจนทำลายความหลงสิ้นสุดลงด้วยการทำความรู้ให้แจ้งสวาง่างทำนันรู้แจ้ง เห็นจริงเหรอมันกรนออลูดน่าจะคองเหอมันยั่งหลงอยู่มันกระลูด น, ออนออ่าจะคองไงจึงวธรรมเป็นที่พึ่งรรมโมหะเวรคติธรรมาจาริง่งรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมะาจาริยสุขังเสตติอุปประพืชธรรมยอมอยู่เป็นสุขเมื่อมันร่วมลงทั้งคล่มลูกคล่มเห็นร่วมลงสู่ความเป็นสัจะธรรมตามเป็นจริงแล้วทีนี้ว่ทุกบ่หลอนบ่โลกบ่โ ก, บโกรธบ่หลงโกรธก็โกรธเพราะยังมีคล่มหลงอยู่แหละโลกก็บโลกเพราะยังมีคล่อมหลงอยู่มาดูกแก้ง เกิดความยินดียินไล่เพราะยังมีความหลงอยู่เกิดราคะโทษะโมหะร้ามมีความหลงเมื่อรู้แก้งแทงตลอดรู้รอบหมดแล้วสิ่งเราน่มันกับบ่มีบกเกิดมันบ่มีบกเกิด มันจะสบายเพราะทำมันมีมันเกิดมันเป็นไฟยังวาร่าฆะขีหนา้าราคะกัเป็นไฟโทสะักขีหน้าข่มโกรธข่วมเดือดดานเป็นไฟโมหะขีหนา้าข่วมหลงนี่ยจร่วมไฟทั้งหลายร่วมอยู่ในอันเดียวกันนี่ธรรมะเป็นน้ำดับไฟ ไฟในจิตในใจท่านว่าท่านถ้าผมไม่ทำมานี่มันก็ะที่ทุกข์ทุกข์เพราะขา้อมเห็นผิษนี่ละเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะความยินดีความไม่ยินดีเขาแสดงจึงว่ามีแต่ธรรมะ เท่านั้นเป็นเครื่องอาศัยที่สี่ให้อยู่เย็นเป็นสุขปาศจากความรอ้รอนปาศจากความทุกข์ยากลำบากลำค้านทั้งหลายมีแต่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ความดีบุญกุศล รวมลงมากกัเป็นนี่แหละสติถ้ำสมาธิถ้ำปัญญาร้ำอย่างอื่นอย่างอื่นบ่มีอย่างอื่นมีแต่เป็นเชื่อให้เกิดความรอดจะเป็นเชื่อให้เกิดความรอดความได้ความดีความมั่งความมีความอยาก ได้นั่นได้นี่อยากกอนไ้ก็ตามเลยมนี้ความอยากความอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์เราร้อนทั้งนั้นแต่ความอยากดีอยากนี่ความสุขอยากได้บุญอยากได้ถ้ำอยากรู้ถ้ำเห็นถ้ำกันย่งเป็นความทุกข์เราร้อนแต่ว่าอันนี้ทุกทุกเพื่อจะดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์กันย่อม เพื่อไม่ทุกข์ย่อมยอมทุกข์ององ